คุณขอการบรรพชาอุปสมบท ต, ต่อมาสารีบุตรและโมฆลลานะได้พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วซบสศีรษะแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคกราวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำมันเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเธอพระวาจานั้นแลได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้น